เจรอนพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมโสโวรรณวันฝังธรรมวันสร้างความสุข สร้างความเจริญให้แก่จิตใจด้วยการมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะความสุขความเจริญทางจิตใจเป็นความสุขเจริญที่แท้จริงเป็นความสุขความเจริญที่ถาวรส่วนความสุขทางร่างกาย ทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเพราะมีความทุกข์ตามมาด้วยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริสั์อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งควรที่จะเข้ามาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจ พอจิตใจจะอยู่กับพวกเราไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วหลังจากที่เราสูญเสียความสุขความเจริญทางราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วเราจะได้มีความสุขมารองรับ <c oughs> ก็คือความสุขทางจิตใจถ้าพวกเราไม่มาวัด มาทำบุญทาทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมพวกเราก็จะไม่มีบุญไม่มีความสุขทางจิตใจไม่มีความเจริญทางจิตใจแต่กลับจะมีความทุกข์ทางจิตใจและมีความเสื่อมทางจิตใจหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วแทนที่เราจะได้ไปรับ ความสุขความเจริญจากการทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเราก็จะต้องไปทางตรงกันข้ามกันเราก็จะไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรก เพราะการกระทาของเราเป็นเหตุที่จะนำพาให้เราไปถ้าเราไม่ทำบุญไม่รักษาศีลทำแต่บาปไม่ทำใจให้สงบไม่ทำใจให้ฉลาดผลที่จะตามมาก็คือความทุกข์ในปัจจุบันความเสื่อมเสียในชีวิตในปัจจุบันแล้วก็ตายไปก็จะไป ใช้กรรมในอาบายต่อไปแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราน้อมนำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างในวันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าวันพระให้เราหยุดทำงานทำการกันเพื่อที่เราจะได้มาสร้างความเจริญสร้างความสุขให้แก่จิตใจในสมัยนี้ ถ้าวันพระไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมก็จะไม่สามารถมาวัดได้จึงขอให้เราเปลี่ยนวันพระให้ทันกับสมัยวันพระสมัยใหม่ก็คือวันที่เราหยุดทำงานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้ามาที่วัดนี้จะมีการกระทาเหมือนกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ในวันพระ จะมีการทำบุญทำทานมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรมมีการฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับวันพระเราจึงไม่ควรมีข้ออ้างว่าวันพระทำงานเลยมาวัดไม่ได้ถ้าเราอ้างอย่างนี้เท่ากับเราทำลายตัวเราเองเพราะเราจะไม่มี อะไรติดตัวไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดังนั้นอย่าให้เหตุการณ์ในปัจจุบันนี้เช่นวันพระที่ไม่ตรงกับวันพระของทางศาสนาอย่าให้ใช้นี้เป็นข้ออ้างเราควรจะใช้วันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดทำงานของเรามาทำเป็นวันพระกัน มาวัดกันวันนี้พอดีเป็นทั้งวันเสาร์เป็นทั้งวันอาทิตย์และเป็นวันพระด้วยจึงมีญาติโยมมากันเป็นจนํานวนมากปกติกลุ่มวันพระก็จะมาวันพระกลุ่มวันพระนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ไม่ต้องไปทํางานทําการคือถ้าทํางานก็ทําส่วนตัวสามารถเลือกวันหยุดได้หรือ ทำงานมีร้านมีทมาค้าขายที่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องรอวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดวันไหนก็ได้มีความอยากทําบุญเมื่อไหร่ก็ปิดร้านมาทําบุญได้ yeah. เพราะว่าบุญนี้มีความสำคัญต่อจิตใจของเราเป็นอย่างมากความสุขความทุกข์ของจิตใจนี้ ขึ้นอยู่กับการได้ทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราจะหาความสุขใจไม่ได้ถ้าเราทำบาปเราก็จะได้รับแต่ความทุกข์ใจและความสุขและความทุกข์ของใจนี่มันรุนแรงกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายเช่นร่างกายอาจจะสุขสบาย อิ่มนำสำําราญมีอาหารมีอะไรรับประทานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เวลาที่ใจทุกนี้มันก็ไม่สามารถที่จะมาดับหรือลบล้างความทุกข์ของใจได้คนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทางร่างกายแต่มีจิตใจที่ทุกข์เพราะเกิดความสูญเสียทุกข์เพราะเกิดความ ความพลาดพลาดจากสิ่งบุคคลที่รักก็จะมีความทุกข์มากจนถึงไม่อยากจะอยู่ต่อไปถึงกับฆ่าตัวตายทั้งๆ ท, ท, ที่ร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาร่างกายสุขสบายดีไม่เจ็บไม่ไข้แต่ใจนี้ทนอยู่กับความทุกข์ไม่ได้นี่คือความนุนแรงของความทุกข์ทางใจ ความสุขทางใจก็มีความหนักมากกว่าความสุขทางร่างกายและความทุกข์ทางร่างกายเช่นถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งต้องตายไปในภายในสามเดือนแต่ถ้าใจมีความสุขใจจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกายความสุขทางใจนี้จะสามารถกลบความทุกข์ทางร่างกาย ไปได้หมดเลยเหมือนกับไม่มีความทุกข์เลยนี่แหละคือความวิเศษของใจของพวกเราและความสุขความทุกข์ของใจของพวกเราพระพุทธเจ้าจึงต้องคอยเตือนคอยสอนคอยบอกให้พวกเรามาสร้างความสุขทางใจกันมาดับความทุกข์ทางใจกันเพราะถ้ามีความทุกข์ทางใจแล้ว ต่อให้เรามีความสุขความเจริญทางร่างกายทา ง, างลาบยศสรรเสริญมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีความหมายต่อให้เรามีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านเวลาเราเจอโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายนีดูซิว่าเงินร้อยล้านพันล้านนี้มันจะมาดับความทุกข์ใจได้หรือเปล่าแต่บุญกุศลที่าตาโยมมาสร้างกันในวันนี้ เช่นการทำทานการรักษาศีลการภาวนาทำใจให้สงบนี้จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจได้หมดเลยอย่างใจของพระพุทธเจ้าละใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านมีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นปรมังสุขขังตลอดเวลาเวลาร่างกายเกิดความทุกข์เกิดโรคมะเร็ง เกิดก่อความตายตามมาใจของท่านไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานไม่เดือดร้อนเลยทั้งๆท่านไม่มีเงินไม่มีทองแม้แต่บาทเดียวที่จะไปรักษาตามโรงพยาบาลท่านก็ไม่เดือดร้อนเพราะท่านมีธรรมโอษฐ์ธรรมโอสฐก็คอือยารักษาความทุกข์ของใจ ที่เป็นความทุกข์ที่รุนแรงร้ายกาศกว่าความทุกข์ของร่างกาย<ม>ถ้ามีธรรมโอสถดับความทุกข์ทางใจได้แล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย<ม>เหมือนเวลาหมอบอกจะฉีดยาถ้าใจไม่มีธรรมโอสถนี่ใจทุกข์ไปก่อนและเจ็บไปก่อนทั้งๆที่หมอยังไม่ทันเอาเข็มมาแตะเนื้อเลย แต่พอหมอฉีดเข้าไปจริงๆก็เจ็บเพียงนิดเดียวนั่นแหละความทุกข์ทางร่างกายความเจ็บทางร่างกายมันเจ็บนิดเดียวแต่ความทุกข์ทางใจนี่มันเจ็บสาหัสหลายร้อยเท่าของความเจ็บทางร่างกายเราจึงควรมาทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาสร้างความสุขมาดับความทุกข์ทางใจด้วยการทําทาน ด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทำทานก็คือให้เราเอาชนะความโลภความอยากความตนีความหวงเพราะนี่จะเป็นเหตุที่ทําให้ใจเราทุกเวลาที่เราต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแต่ถ้าเราได้มาทำทานทาบุญอยู่เรื่อย เวลาเสียเงินทองไปก็จะไม่ทุกข์อย่างเมื่อวานนี้มีญาติโยมท่านหนึ่งมาทำบุญที่วัดเป็นประจํามาเล่าให้ฟังว่าคืนก่อนขโมยขึ้นบ้านเอาเงินทองที่จะเอาไปจ่ายาเจ้าหนี้ที่เขาเอาของมาส่งก็เลยเก็บเอาไว้แทนที่จะเอาไปเข้าธนาคาร พอวันนุ่มขึ้นจะมีคนมาส่งของต้องจ่ายเงินให้เขาก็เลยเก็บไว้ในที่ร้านคืนนั้นก็พอดีมีขโมยปีนเข้ามาทางช่องอากาศช่างระบายอากาศเข้าไปแล้วก็ขโมยไปหมดทั้งเงินทองทั้งเพชรทั้งทองทั้งอะไรต่างๆที่เก็บไว้ในลิ้นชักไม่ได้มีตู้เซฟขโมยก็เอาไป แต่แทนที่เขาจะมีความเศร้าโศกเสียใจเดือดเนื้อร้อนใจเขาก็รู้สึกเฉยเฉยเสียดายบ้างแต่ก็ยอมรับกับสภาพได้คิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปถ้าเราคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานแทนที่เราจะทุกข์เรากับจะมีความสุขเหมือนกับวันนี้ญาติโยมก็เสียเงินเสียทองไปเหมือนกับถูกขโมยไป แต่แทนที่ญาติโยมจะมีความเสียอกเสียใจญาติโยมกลับมีความสุขใจเพราะอะไรเพราะมีความตั้งใจมีความยินดีที่จะเสียเงินทองก้อนนี้ไปนี่แหละการเสียเงินทองนี้เสียได้สองแบบเสียแล้วเกิดความทุกข์ใจหรือเสียแล้วเกิดความสุขใจเพราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาด จึงรู้จักวิธีเสียเงินแล้วเกิดความสุขใจจึงเอามาสอนพวกเราเพราะในสุดท้ายชีวิตของพวกเรานี้เราต้องเสียทุกอย่างไปหมดเงินทองที่เราหามาได้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านจะต้องเสียไปหมดจะต้องกลายเป็นของคนอื่นไปหมดถ้าเราไม่ยินดีที่จะเสียเวลาเราเสียเราจะทุกข์มาก แต่ถ้าเวลาที่เรายินดีที่จะเสียเราจะมีความสุขมาก <Yeah. S 1> นี่คือการทำทานเรามาซ้อมเสียเงินเสียทองกันเพราะว่าเราจะต้องเข้าห้องสอบสักวันหนึ่งข้างหน้า <Yeah. S 1> อาจจะตายจากเงินทองไปหรืออาจจะล้มละลายเศรษฐกิจพังทำมาหากินไม่มีรายได้เข้ามา มีหนี้มมากกว่ามีรายได้ก็ต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมด เ, เวลานั้นแหละจะเป็นเวลาที่จะพิสูจน์ดูว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราสามารถไม่ทุกข์ได้ถ้าเราทำใจได้ถ้าเรายินดีสูญเสียเงินทองต่างๆที่เราไม่อยู่ไปได้ วันนี้เราจรึงต้องมาซ้อมกันก่อนมาทำการบ้านกันก่อนมาแบ่งส่วนหนึ่งของเงินทองที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเก็บเอาไว้ลองเอามาทำดูเราจะรู้สึกมีความสุขใจถ้ามันรู้สึกยากก็ให้ใช้มรณานุสติมากระทุ้งมันสัหน่อยให้คิดว่าถ้าเราตายไปวันนี้แล้วเงินทองของเราที่เรามีอยู่ดีใครจะเอาไป ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราจะไม่เสียดายเพราะเวลาเราให้เรามีความสุขเราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเราก็จะมีความสุขและเราจะมีคนรัรักเราชอบเราเคารพนับถือเรานี่คือการทำทานเพื่อสร้างความสุขใจขึ้นมาเพื่อดักความทุกข์ใจที่จะตามมาต่อไปในอนาคต เวลาที่เราจะต้องสูญเสียเงินทองไปขั้นที่สองท่านก็ให้เรามารักษาศีลมาละเว้นจากการทำบาปกันถ้าเราทำทานอย่างต่อเนื่องเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองให้แก่ผู้อื่นเราจะมีจิตที่เมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราก็จะไม่อยากจะ เบียนเบียนผู้อื่นไม่อยากทำร้ายผู้อื่นเราก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี้มันง่ายเหลือเกินเพราะว่าใจของเรามีศีลอยู่แล้วศีลที่เกิดจากการทำทานนี่เองศีลที่เกิดจากการละความโลภความอยากได้เงินทองถ้าเรายังอยากได้เงินมากๆอยู่เราจะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี่ยากลำบาก พอเวลาทำงานเวลาหาเงินหาทองนี้ถ้าพูดตรงๆแล้วอาจจะไม่ได้เงินมากก็ได้ก็เลยต้องพูดโกหกแต่ถ้าเราไม่มีความต้องการได้เงินเรามีความต้องการที่จะเสียสละเงินเราก็ไม่ต้องหาเงินมากเราก็ไม่ต้องมาโกหกไม่ต้องมาทำบาลดังนั้นถ้าเราทำทานได้ เราจะสามารถรักษาศีลได้ถ้าเรายัางทำทานไม่ได้ยังโลภยังอยากได้เงินยังหวงเงินอยู่เราจะทาท่เราจะรักษาศีลไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากการทำทานเราก็ต้องมาทำรักษาศีลให้ได้ด้วยการทำทานก่อน ความสุขที่เราได้จากการทาทานนี้ได้หนึ่งเท่าแต่ความสุขที่เราได้รับจากการรักษาศีลนี้จะได้สิบเท่าของการทาทานเช่นเดียวกับความทุกข์ที่เราจะได้รับจากการไม่รักษาศีลก็จะได้รับความทุกข์สิบเท่าสิบเท่าของการที่เราหวงเงินทองเราหวงเงินทองเราก็จะได้รับความทุกข์หนึ่งเท่า เวลาเราเสียเงินทองนั้นไปแต่เวลาทําบาปนี้เราจะได้รับความทุกข์สิบเท่าดังนั้นจึงไม่คุ้มกับการที่เราจะไปได้เงินทองมาด้วยการทำบาปแล้วเอาเงินทองนี้ไปทำบุญเพราะว่าเวลาเราเอาเงินที่เราขโมยมาไปทำบุญเราได้ความสุขเพียงหนึ่งเท่า แต่เราได้รับความทุกข์สิบเท่าด้วยกันบวกลบคูณหาแล้วเราก็ยังเหลือความทุกข์อยู่เก้าเท่าด้วยกันดังนั้นอย่าไปหาเงินหาทองมาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องด้วยวิธีทำบาปเพื่อที่จะมาเอามาทำบุญอย่างนี้เป็นการขาดทุนเพราะจะได้ความทุกข์เก้าเท่า ลดความทุกข์ไปได้เพียงเท่าเดียวด้วยการเอาเงินที่ขโมยมานี้ไปทำทานถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำทานรักษาศีลไปเลยจะได้ดับความทุกข์สิบเท่าด้วยกันเวลาถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับการสูญเสียเงินทองเพราะไม่มีเงินทองจะเสียเมื่อไม่มีเงินทองจะเสียก็ไม่มีความทุกข์ตามมา นี่คือเรื่องของความทุกข์ความสุขของใจเป็นอย่างนี้ขอให้เราทำความเข้าใจเอาไว้ขอให้เราพยายามสร้างความสุขในใจให้เพิ่มมากขึ้นด้วยการทำบุญรักษาศีลแล้วก็ขยับขึ้นไปขั้นที่สามก็คือการทำใจให้สงบการภาวนา การที่เราจะภาวนาได้เราก็ต้องเลื่อนจากศีลห้าขึ้นไปศีลแปด้วยถ้าทำศีลรักษาศีลห้านี้จะไม่มีกำลังพอที่จะสนับสนุนทำใจให้สงบให้มีความสุขในระดับร้อยเท่าได้เราต้องรักษาศีลแปเพราะศีลแปจะทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลากับการ หาความสุขทางร่างกายถ้าเรารักษาศีลห้าเรายังสามารถไปหาความสุขทางร่างกายได้เช่นศีลข้อสเรายังยร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้ถ้าเราร่วมหลับนอนกันเราก็จะไม่มีเวลามานั่งภาวนาไม่มีเวลามานั่งสมาธิถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็ต้อง ละเว้นข้อนี้ถือศีลแของข้อสก็คือจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราก็มาเพิ่มศีลข้อ6เราจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการมาหาอาหารมารับประทาน แล้วก็อาหารที่เรารับประทานมากเกินไปก็จะทําให้เราง่วงนอนจะทําให้เราไม่อยากนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็สับประหนกผู้ที่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะได้ความสุขร้อยเท่าก็ต้องยอมอดอาหารเย็นยอมทุกข์ทางร่างกายเพื่อความสุขทางจิตใจนอกจากการไม่ จากการไม่รับประทานอาหารเย็นแล้วก็ต้องไม่ไปหาความสุขทางบันเทิงทางมหัศจรรย์ไม่ออกไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่ไปดูภาพยนตร์ดูละครไม่ไปร้องลัมทำเพลงไม่ไปฟังเพลงแล้วก็ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวย ความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องสำอางน้ามันน้ำหอมต่างๆเพราะเป็นความสุขเดี๋ยวๆแล้วก็จะทําให้เสียเวลาไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิทำใจให้สง บ, บเพื่อจะได้ความสุขร้อยเท่านอกจากนั้นก็ยังต้องนอนบนพื้นธรรมดาบนพื้นไม้พื้นแข็ง อย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะถ้านอนบนฟูกหนาๆ น, นี้จะนอนมากเกินไปตามปกติร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนหลับนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆเวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากลุกก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงก็จะเสียเวลาอันมีค่าที่จะเอามาสร้างความสุขร้อยเท่าของใจ ถ้าเรารักษาสิ้ 8'' แปดได้เราก็จะมีเวลาที่มาเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบนะก่อนที่จะนั่งสมาธิเราต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติใจจะลอยไปลอยมาใจจะไม่นิ่งไม่สงบเราต้องเจริญสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เรามีอะไรผูกใจเอาไว้เช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธ ท่พุโทโธพุทโธไปภายในใจไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วใจของเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เวลามานั่งสมาธิถ้าอยู่กับพุโทโธไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเข้าไปสู่ความสุขร้อยเท่าที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้รับจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราได้พบกันแต่ความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี้ยังไม่ใช่เป็นความสุขถาวรเวลาออกจากสมาธิมาถ้าปล่อยให้ใจคิดไปตามความอยากความสุขที่ได้มาก็จะหายไปถ้าอยากจะรักษาความสุขนี้ให้เป็นความสุขที่ถาวร เราก็ต้องเจริญปัญญาต้องใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปอยากได้อะไรไม่ให้ไปอยากได้ความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันไม่เที่ยง ม, มันมาแล้วมันก็ไปพอมันไปแล้วก็เหลือแต่ความทุกข์ตามมาก็ทําให้เราต้องหาความสุขอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ หาเท่าไหร่ก็หามไม่พอเหมือนกับวิ่งตะครุบเงาพยายามวิ่งตะครุบเงาเราเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันตะครุบได้เพราะเงามันจะทอดไปข้างหน้าของเราเสมอความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากต่างๆก็เป็นเช่นนั้นอยากดื่มพอดื่มเสร็จปั๊บก็หายละความสุขที่ได้จากการดื่มก็หายไปต้องดื่มอีกแก้วหนึ่งคนดื่มเบียร์ดื่มเหล้าดื่มแก้วเดียวไม่ได้ หน่งแก้วนึงแล้วก็ต้องเทเดือมอีกแก้วหนึ่งเดือมอีกแก้วหนึ่งแล้วก็ต้องเทเดือมอีกแก้วหนึ่ ง, น ง, ง, นงจนกว่าจะเดือดไม่ไหวเท่านั้นถึงจะหยุดดื่มแต่พอทิ้งระยะไว้อีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็อยากดื่มขึ้นมาใหม่นี่คือความสุขที่เราได้รับจากการทําตามความอยากจะทําให้เราต้องทุกกับการทําอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้ทําก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ นี่คือปัญญาถ้าเราสอนใจใจก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะใจมีความสุขที่วิเศษกว่าอยู่แล้วความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่เองแล้วเราจะได้มีความสุขไปตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เลยนี่คือใจของผู้ที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วเป็นอย่างนี้พรานิพพานก็คือใจที่บริสุทธิ์ ปราศจากความอยากต่างๆนี่ไม่ได้เป็นแดนดินแดนหรืออะไรลึกลับเลยเป็นใจของพวกเราทุกคนนี่แหละที่จะเป็นนิพพานขึ้นมาถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาใจของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็น ใจที่เป็นนิพพานก็เป็นเหมือนของพวกเราในตอนนี้ใจของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนก็มีความอยากต่างๆแต่หลังจากที่ได้ปฏิบัติรำทานสละราชสมบัติรักษาศีลสองร 7, ภาวนาทำใจให้สงบเจริญปัญญาสอนใจไม่ให้ไปอยากได้สิ่งต่างๆใจของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นพระนิพพานขึ้นมา พอดับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางใจของเราให้เป็นนิพพานขึ้นมาได้นอกจากความไม่เชื่อในพระพุทธเจ้านอกจากความเกียจคร้านที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นจึงขอ ฝากเรื่องของการมาสร้างความสุขทางใจงในวันพระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่ถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีรัตนตรัยและบุญกุศล